ก็ทบทวนอีกครั้งนะที่ผู้การกล่าวเมื่อกี้ว่าอาหางสุขที่โตโหมิเนี่ยนะมิตัวนี้แปล ว, ว่าข้าพเจ้าโ ห, วหวมิอ่า น, นะโหมหัตัวนั้นหูมาจากหูทาบแปล ว, ว่ามีอ่า น, นะขอให้ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจงมีความสุขอย่างนี้ก็ได้ข้าพเจ้าจงมีความสุขแล้วก็มาไล่ดูว่าสุขที่เราต้องการนี่มันต้องการสุขไหนบ้างเออสุขอะไร มันต้องรู้ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่สิ่งที่เรามีความสุข น, นะยกตัวอย่างในฐานะผู้เราศึกษากุศลธรรมเนี่ย น, นะขอให้มีความสุขที่เกิดจากความไม่เดือดร้อน น, นะนะเช่นถ้าเกิดได้วัตถุกรรมก็เป็นวัตถุกรรมที่ไม่มีโทษมาเนี่ย น, นะที่ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังหรือขอให้มีสุขในศีล ส, สุขในสมถะสุขในวิปัสสนาจนถึงได้สุขในมรรคสุขใน สุขในนิพานเนี่ยนะก็ให้คือประสงค์ว่าอยากให้ความสุขเหล่านี้น้อมมามีแก่ตัวเองจริงๆเนี่ยนะว่าเราต้องการความสุขเหล่านี้ไม่ใช่หรือเนี่ยนะเราต้องการความสุขเหล่านี้นี้ต่อไปนะว่าถ้าย้อนกลับไปหาคนอื่นนะเออคนอื่นเขาก็ควรจะได้รับความสุขเหล่านี้ด้วยนะความสุขที่ไม่มีโทษก็น้อมประโยชน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไปให้คนอื่น เพราะเมตตาเนี่ยลักษณะเขาว่าน้อมประโยชน์เนีย่ยนะเข้าไปลักษณะของเมตตานะน้อมประโยชน์เข้าไปประโยชน์ใดที่จะพึงมีอ่ะนะก็น้อมเข้าไปเช่นเราควรจะมีความสุขยังไงขึ้นบ้างก็น้อมเข้ามาหาตัวเองด้วยความสุจริตใจนะเพราะเมตตานี้เป็นมโนสุจริตอยู่แล้วก็น้อมอเมตตานี้มาให้ตัวเองด้วยความ สุดจริตใจเสร็จแล้วก็ถ้าเราจะหัดจเจริญไปหาคนอื่นไนมะไม่ต้องไา่ทั้งห้าบทก็ได้สูตรเขาบ่าไม่ใช่ต้องต้องหา้าทั้งห้าบทนะแต่ว่าในห้าบทนี้ใครถนัดบทไหนก็เอาหรือจะเอาทั้งห้าก็ไม่ขัดข้องเนี่ยนะจะได้ใช้เวลานั่งเจริญเยอะๆเนี่ยนะคือสมมติว่าชีวิตเราเนี่ยสมมติมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ ถ้าไม่เมตตามันก็โทสะนะก็ถ้ามันคิดได้หน่อยเดียว2นาทีแล้วหมดแล้วอย่างเงี้ย น, นะท่านก็เลยให้วิธีว่าเยอะๆอาจจะได้คิดนานๆเมตตาจะได้เกิดเยอะๆหน่อยเนี่ย น, นะท่านก็ฝึกคิดหลายๆวิธีเอาว่าวิธีไหนที่เราสงบที่สุดเช่นว่าเราต้องการความสุขหรือเรามีความสุขอะไรบ้างแบ่งง่ายๆเนี่ยก็สุกายกับสุขใจเนี่ย น, นะ อขอให้เรามีความสุขทางกายโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอ่ะนะโรคที่มีแล้วก็ให้หายไปไงนะก็คิดอ่ะเราควรจะได้ความสุขอย่างนี้แล้วก็น้อมไปหาคนอื่นขอให้เขามีความสุขเช่นนั้นบ้างนะเห็นไหมก็น้อมคิดอย่างนี้แล้วค่อยๆขยายไปหาบุคคลต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็อเวโรโหมิข้าพเจ้าจะได้มีเวนเลยเห็นไหคนมีเวนก็คือคนที่มีโทสะนะถ้าเราโกรธบ่อยๆนี่เราก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีเวนเนี่ยนะมีเวน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยาได้มีเวนเลยอย่ากโกรธเลยนะให้มีความสุขเธอเนี่ยนะให้มีเมตตานะแปลง่ายๆว่าขอให้เราจงมีเมตตาอย่างนั้นจงมีเมตตาอย่ากโกรธมากเลยอย่าเครียดเลยอย่างั้นนะให้มีความสุขเธอเนี่ยนะคือการเจริญเมตตาเนี่ยนะความความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างอะไรจากการให้พร น, นะ น, นะแปลว่าหัดให้พรตัวเองบ้าง ให้พรตัวเองว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญนะข้าพเจ้าจะได้มีเวนจะได้เดือดร้อนจะได้เครียดจะได้งุดหงิดจะได้วิตตกกังวลอะไรเนี่ยก็คิดไปนะลักษณะนี้แหละเป็นการเจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนหรืออัพยาปาโชโหมิก็าพเจาจะได้พยาบาทเลยอย่าไปเที่ยวว่าคนอื่นก็เลยอย่าไปได้กโกรธเนี่ยนะลักษณะของพยาบาทไอ้คนโน้นก็ไม่ดีอย่างงั้นคนนั้นก็ไม่ดีอย่างงี้คนนั้นก็งงนนนนกเลวเหลือทนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เที่ยวติไปเข้าไปเรื่อยนะคนช่างติ บอกเออเราอย่าได้เป็นนิสัยช่างติแบบนั้นเลยเนี่ยนะให้ใจเย็นเย็นสงบส ง, งมบ้างนะก็คิดแบบนี้บ่อยๆให้ให้ตัวเองเย็นอกเย็นใจ <c oughs> อานีโคโหโมิขพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยเนี่ยนะ <c oughs> ว่าความทุกข์ใดๆทุกกายทุกใจก็ยังมีเล ย, ยงไงแล้วก็สุขีอัตนางปริหรารมิปริหารเนี่ยนะก็คือบริหารเราอ่ะตัวเองอ่ะนะสุขีเรียกว่าขอให้ขพเจ้าบริหารตนให้มีความสุขเถอะ นะอย่าไปทําอะไรที่มันต้องทุกข์ในภายหลังเลยอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็ไปทําสิ่งนั้นนะและจะต้องไม่ลําบากใจในภายหลังไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนะคิดอย่างนี้บ่อยๆถามว่าเหตุผลทําไมต้องเจริญให้ตัวเองก่อนก็บอกว่าโลกนี้นะถ้าพูดแบบสำนวนสมัยใหม่บอกโลกมันกลมใช่ไหมลองคิดให้ตั้งแต่ทิศตะวันออกรอบมาจนถึงนะบอกว่าเรารักใครที่สุดในโลกนี้เห็นไหมก็รักตัวเองนั่นแหละถ้าไฟไหม้เนี่ยนะจะดับศีรษะใครก่อน ไปไม่ที่ตะดับที่ไหนก่อนก็ดับตัวเองก่อนเน่นะถ้ามีเมตตาค่อยคิดเผื่อคนอื่นั้างเพราะฉะนั้นก็บอกว่าให้เจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนเนี่ยนะสุทธิมัรถท่านบอกว่าเป็นพยานเป็นพยานที่เหลือก็เปลี่ยนเปลี่ยนคำว่าโหมินะถ้าเป็นบาลีเป็นโหตุแทนก็ได้มีเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้านะก็บอกว่าสุขิเช่น ขอให้ผู้การมีความสุขนะอย่างง้นะให้มีความสุขก็สุขทั้งหลายเหล่านี้ที่ที่ให้ไป น, นะอย่าได้มีเวรนะอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนเลยอย่าได้มีความทุกข์เลยแล้วก็ขอให้บริหารตัวเองให้มีความสุขให้ได้รับความปลอดภัยนะ น, นะถ้าพูดแบบทั่วๆไปนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะลักษณะเนี้ยคำว่าขอให้รักษาตนให้พ้นจากทุก์ภัยนะก็คือเหมือนกับคาว่า ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความสุขความเจริญนะนะมันก็เจริญแบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยกระจายไปอะนะแต่อย่าลืมว่าคนโทสะเจริตมันเจริญอย่างนี้นเจริ ญ, ญายากอยู่แล้วนะเหมือนกับไฟกําลังลุกท่วมอยู่แล้วบอกให้เอาน้ํารดสิเอาน้ํารดหน่อยนะมันเวลารถแรกๆมันอาจจะมีเสียงขึ้นบ้างนะมันก่อกรัวนะนะใช่ไหมเคยใครเคยเอาน้ําไปรถไฟบ้างะนะมันดังเลยเนาะ สู้ขึ้นมาเลยนะเวลาที่โทสะเกิดแล้วมาเจริญเมตตาอย่างนี้นะมันขัดใจน่าดูเลยนะมันขัดกับขัดกับความรู้สึกเหมือนกันไอ้ปกติมันอยากจะแช่งมันอยู่แล้วนะเราไปคิดในยเขามีความสุขไหมมันยากมันก็ต้องศาสนานี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ฝึกเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกได้อยู่แล้วถ้าเราฝึกไม่ได้ก็เป็นตะกล่มม้ากระจอกเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าถ้าโทสะจะเกิดที่ยังไม่เกิดเนี่ยจะเกิดโดยประการใด น, น, นะถ้าโทสะมันจะมีนะบอกว่าปฏิฆะนิมิตนี่มีอยู่ น, นะปฏิฆะนิมิตนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างเนาะ คือตัวโทสะเดิมเดิเหมือนนะโทสะเขาก็ได้โทสะเราก็ได้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือตัวอนิถารมาพูดแบบแหมสำนวนอริยสัจหน่อยก็คืออาปิยรูปอาสาตรูปสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเลยนะพวกพวกอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ทีนี้อโยนิโสเกิดขึ้นอโยนิโสมนสิการซึ่งอโยนิโสนะเป็นกลุ่มความคิดที่ว่ามันต้องเที่ยงเนี่ยนะกลุ่มที่ผู้อโยนิโสนะเดิมๆแล้วคิดว่ามันน่าจะเที่ยงหรือมันต้องสุขมันต้องเป็นอัตตาหรือต้องงามเนี่ยนะแนวความคิดเดิมๆ เ, เขาจะเป็นแบบนี้ตลอดกลุ่มอโยนิโสมนสิการทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดจะสิ พอคิดว่ามันน่าจะเที่ยงอะ น, นะไปคิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเข้ามันเกิดโทสะขึ้นมาทันทีเลยนะไปใส่ใจในสิ่งนั้นๆก็กลายเป็นโทสะทีนี้โทสะที่เกิดขึ้นนะก็คือลักษณะว่าเช่นคนโน้นเคยสร้างความเสียหายให้แกเราอะ น, นะว่างๆก็ไปคิดถึงคนที่ ที่เคยสร้างความเสียหายให้อย่างใดอย่างหนึ่งอะนะเช่นเขามาด่าเรานะเขามาตีเรานะเขาม า, าลักช่อขโมยอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึง่ง <S ucher> เขามาสร้างความเสียหายให้กับเรา <S <S คือภาษาธรรมะนะั้นท่านจะไม่ค่อยแบบพูดเจาะจงลงไปว่ามันอะไรก็ให้กางกว้างว่าเขาเคยสร้างความเสียหายอะนะอาจจะได้เสียหายหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะทางทรัพย์สินทางไหนก็ช่างเถอะก็ถือว่าเขาเคยสร้างความเสียหายให้แกเราก็คีดเราอะนะ เช่นมันมีเด็กคนหนึ่งนะมันจอมพยาบาทมากไ อ, ไอเด็กคนนี้มันจอมพยาบาทชนิดที่ว่าใครที่เคยไปตบหัววันไว้ในสมัยเด็กๆมันจะจําได้หมดเลยนะเ ข, เขาจะโกรธทีนี้พอตอนเ้าโตขึ้นนะ่ยนะไอความที่ซ้อมความคิดแบบนี้ไว้บ่อยๆตอนหลังก็เป็นมือปืนนะใครที่เขาแค้นจะต้องไปฆ่าทิ้งเกือบหมดเลยนะพวกนี้จะ เรียว่าคิดย้ำแล้วย้ำอีกผูกแล้วผูกอีกใส่ใจบ่อยๆว่าเขาสร้างความเสียหายให้แก่เราหรือว่าคนโน้นกําลังความะนะอนนะไรคู่แข่งทั้งหลายแหละนะที่ที่ทกําลังสร้างความเสียหายให้แก่เราหรือจับทําความเสียหายให้แก่เราก็คือเอาการสมานั่นเองนะว่าคนโน้นเคยทําคนโน้นจักทํา ค, คนนี้กําลังทําอยู่นะ น, นะหรือ คนโน้นมันสร้างความเคยสร้างความเสียหายให้แก่นคนที่เรารักคนโน้นจักสร้างความเสียหายให้แก่นคนที่เรารักคนโน้นอะ่ะกำลังสร้างความเสียหายให้แก่นคนที่เรารักหรือคนโน้นมันไปเชียร์ศัตรูเรามันเคยเชียร์ศัตรูเรามันเคยส่งเสริมศัตรูเราเห็นไคนโน้นกําลังส่งเสริมคนโน้นจักส่งเสริมะนะพวกนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธแล้วก็มีอย่างหนึ่งเขาบอกโกรธในฐานะที่ไม่ใช่โอกาสเช่น mm <m> <force> <m> ไปเดินเตะหินก็ หนาวเกินไปก็โกรธร้อนเกินไปก็โกรธเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโกรธในฐานะที่ไม่สมควรนะไม่น่าโกรธมันก็โกรธไปหมดอ่ะนะยุงกัดก็โกรธอะไรก็โกรธหมดแล้วันท่าไอความโกรธที่เกิดขึ้นว่าโดยรวมๆก็คือสายใจเดิมๆพื้นฐานว่าอยากจะเที่ยงอยากจะสุขให้เป็นอัตตาให้มันงามตลอดไปแล้วก็ไปคิดถึงสิ่งนั้นที่มันเปลี่ยนไปอ่ะนะมันไม่ได้คือลักษณะที่มันเป็น อนิี้ารมหรืออปิยรูปอสสารูปก็คือมันไม่เที่ยงนั่นเองไม่เที่ยงบางอย่างเราชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบไม่เที่ยงเช่นศัตรูหมดชีวิตหรือยากจนลงอาจจะชอบอย่างง้นะแต่ไม่เที่ยงบางอย่างเราเนี่ยหมดเองอย่างงี้นะนีไม่ครอชอบเพราะนั้นอาโยนิโสคิดว่ามันน่าจะอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นไม่เที่ยงหรือมันเป็น ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาสุภะสมัยใหม่ก็อาจจะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายเนี่ยนะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายเช่นเสื้อขาดรถถูกชนบ้านปลวกกินอะไรเนี่ยแล้วก็ย้ำคิดในสิ่งนั้นบ่อยๆบ่อยๆก็โทสะก็ก็เกิดขึ้นนะคิดถึงสิ่งที่ไม่ตัวเองไม่ชอบอ่ะนะจริงๆแล้วความโกรธนี่คิดง่ายมากหาอะไรตรงไหนที่ตัวเองไม่ค่อยชอบแล้วมาคิดตรงนั้นอะ่ะบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ นั่นแหละคือวิสร้างวิธีสร้างโทรศั์เนี่ยนะเขบอกว่าถ้าเราอยากจะให้เกลียดใครอ่ะนะถ้าสมมุติว่าเหมือนกับเสี้ยมสอนให้คนเกลียดกันนะเราก็ไปพูดในสิ่งที่อีกคนหนึ่งเขาไม่ชอบเรื่องนั้นพอดีนะก็พูดบ่อยๆบอยๆบอยๆเข้าเดี๋ยวคนนั้นจะจะเริ่มเกลียดคนนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะก็ไปพูดในส่วนที่เขาไม่ชอบอ่ะนะถ้าจะพูดให้เขาชอบกันเราก็ไปพูดในส่วนดีที่ที่คนนั้นเขาชอบพอดีนะพูดบ่อยๆเบอร์แล้วก็ชอบเองอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันอ่ะนะ ทำไมมนุษย์ถึงชำนาญอย่างนั้นะแปลกก็ที่มาของไอ้ปิสุนาวาจาเนี่ยนะถ้าพูดให้เขาแยกกันก็อันนั้นผู้สวาจาอย่างหนึ่งปิสุนาวาจาเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันชำนาญมากผลพวงของโทสัเนี่ยนะพูดให้เขาแตกกันร้าวรานกันสร้างความเสียหายให้กับเขา คําว่าอาสุภาษณเนี่ยนะครับปกติแล้วนะมันเช่นมือเราเนี่ยมันดีๆอยู่เกิดมันเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยนะมันอสุภาษมันน่าจักรุศษเกิดใช่ไหมครับทำไมมันไม่เกิดอ่ะมันก็อสุภาษมันเนี่ยเหรเลือดมันไหลออกมาซิบๆ ๆ, ๆ, ๆอย่างงี้ยเแต่เราก็ไม่ชอบใช่ไหมอสุภาษแบบนั้นนะหรือไปได้กลิ่นซากศพเนี่ยนะ อะไรตายไมหมกลิ่นหึงไปหมดเลยนะจริงๆมันก็อาสุภาพนะแต่มันน่าจะแยบคายอะ่ะแต่ไม่คนนี้ก็โกรธเลยนะแล้วก็มันไม่เป็นอย่างที่คิดทั้งหลายแลลนะคิดยังไงมันก็คิดมันเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมดเลยอะ่ะกลุ่มนี้ก็จะก่อให้เกิดโทสะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือนึกถึงไอ้โทสะที่ตัวเองเคยเกิดไว้บ่อยๆนะ เราไม่ชอบอะไรบ้างนะว่างๆนั่งทบทวนบ้างเราไม่ชอบอันนั้นเราไม่ชอบอันนั้นเราไม่ชอบอันนั้นนึกถึงบ่อยๆที่เคยเคยไม่ชอบเอาไว้นัยย้ำบ่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆความคิดคิดไปแบบนี้ในสิ่งเหล่านี้โทสะก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะการพิจาร ณ, ณ, ณสาสุภาพนิถ์คือการแยกใครหรืเป่า อ, อาสุภาพเนี่ยปกติมันเหมาะกับราคาจริตนะครับกลุ่มราคาจริตนี่เจริญดี แต่ทีนี้คนโทสะเจริญนะไปคิดให้มันอสุภาเนี่ยโอ้มันง่ายมากนะครับดีไม่ดีแช่งสงเลยนะครับยงที่โยนิโสัิการเนี่ยเาสรุปออกมาว่าเหมือนเหมือนกับข้อแรกเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนกับกรมันทน่แสดงว่าพิจารณาโการไม่ที่งทุกปกาปอสุภาเหมือนกับคือคืออย่างนี้นะครับว่าอโยนิโสอโยนิโสคือพื้นฐานปกติใส่ใจว่า เที่ยงสุขเนี่ยนะงามแล้วก็อัตตาพื้นฐานแนวความคิดแบบนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามเนี่ยแล้วก็เกิดโทสะอันนี้เรียกว่ากลุ่มปฏิฆะนิมิตทีนี้ถ้าโยนิสโสมนาสิการเนี่ยนะให้ให้เป็นไปกับโยนิสโสมนาสิการเนี่ยนะ สังขารทั้งหลายมันก็จักเป็นเช่นนั้นและสังขารทั้งหลายปกติก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยนะจะไปเอาอะไรกับสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะนะก็ในในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าพระพิสุบางรูปเวลาถ้าโทสะจะเกิดเช่นเขาบอกว่าเวลาไปบินทบาทอ่ะนะหมายว่าขอให้เขาให้เราเร็วๆให้ดีๆแล้วก็อะไรเนี่ยนะก็จะคิดพราะหรือพอเขาไม่ให้อะ่ะก็เครียดโทสะเกิดขึ้นใช่ไห คือไปสร้างความหวังเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังทีนี้คนที่มีโยนิสโสบอกว่าเออมันจะเป็นไปได้ที่ไหนที่จะให้เขาให้เร็วจะให้ของดีให้ของที่เราต้องการมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเน่ยนะนะก็คล้ายๆว่ารู้จักชี้แจงให้ตัวเองอ่ะนะชี้แจงอธิบายให้ตัวเองฟังอ่ะนะแล้ ว, ว่ามีเหตุผลให้เ้าหน่อยเขาก็เลิกโกรธละนะาก็ไม่โทรสัเล่นความคิดเนี่ยยากนะ ปล่อมหน้าดูนะทำางมันเหตุผลไม่พอมันก็ไม่เอาอีกนั่นแหละไม่ได้แกหลอกฉันนะน <c oughs> ั้นถ้าโทสะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นเพราะอโยนิโสมนัสิการในปฏิฆานิมิตทีนี้ถ้าโทสะที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใด จริงวิธีละโทสะเนี่ยนะพรหมวิหารนิเทศโอ้เรื่องใหญ่โตเลยก็เพื่อเพื่อที่จะอธิบายวิธีที่จะละโทสะนั่นแหละนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เรียนเรื่องไอ้พรหมวิหารค่อนข้างนานนะเรียนานานมากนั่นแหละก็เรื่องละโทสะนี่นะฮะก็ทุกคนก็พอพูดอย่างนี้ปับ๊บทุกคนก็จะคิดเลยว่าเออมันโทสะมันเกิดแล้วเราจะไปละมันเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลย มันต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนคือปกติเนี่นะเราก็ควรจะรู้อัธยาศัยของตัวเองอ่ะนะคนที่จะศึกษาธรรมะกลุ่มนี้เนี่ยเพราะการเจริญเมตตาก็คือการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้ตัวเองอ่ะนะท่านว่าตรงๆเลยทีนี้ต้องรู้นิสัยของตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ชอบไม่ชอบอะไรบ้างอ่ะนะนั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่มันจะไม่ชอบอ่ะนะเรก็ต้องคิดไว้ก่อนเช่นบางคนเราก็ไม่อยากคุยกับบางคนใช่ไหม เพราะไม่อยากคุยแต่ว่ามันมีเหตุโดยเหตุผลทั่วๆไปว่าต้องพูดต้องคุยทีนี้เราก็ตั้งจิตตั้งกะเรกเลยนะเพราะปกติรู้อยู่แล้วว่าคุยกับคนนี้เราต้องไม่มีเมตตานะเราก็เจริญเมตตาตั้งกระเรา ก, ก่อนเนี่ยนะเพื่อที่จะได้มีเมตตาเนี่ยนะแปลว่าต้องรู้อัธยาศัยรู้นิสัยของตัวเองอยู่แล้วนะว่าปกติตัวเองนี่เป็นคนยังไงแล้วก็ฝึกแก้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆพวกนี้ต้องหมั่นตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะ ตั้งจิตไว้บ่อยๆชั้นแรกๆแล้วก็ถึงเราไม่ชอบคนนี้นะแต่เราต้องไม่ล่วงทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราต้องไม่มีกายทุจริตกับเขาต้องไม่มีวิจิรทุจริตกับเขาต้องไม่มีมโนทุจริตกับเขาอ่ะนะเราต้องคิดให้เป็นกุศลให้ได้อ่นะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้อกุศลเกิดเนี่ยนะก็แก้แบบนี้ไปเรื่อยๆอ่นะพวนนี้เป็นเรื่องของศิกขาที่เรียกว่า ต้องเจริญต้องอบรมบ่อยๆไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะได้ผลแล้วก็วิธีเดียวก็ไม่ใช่จะได้ผลตลอดตายเนี่ยนะตอนแรกคิดอย่างนี้มันมันดีตอนหลังเอ้ามไม่อยู่แล้วต้องเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยเนี่ยนะมันเหมือนกับมันดื้อยาอยู่เหมือนกันมันแก่กล้าไปเรื่อยนะที่จริงเรื่องศีลเนี่ยนะครับ <c oughs> จะเป็นตัวจะเป็นตัวกำจัดโทสะอย่างดี เพราะว่าสินมีต้องหลายระดับเนีแต่ว่าเราละเลยเรามาเจอศินแค่พื้นฐานเท่านั้นนะไม่พอนี่ยใช่ปะถ้าบริหารกุศลศินเอาไว้ให้ดีนะถ้าบริหารกุศลศินไว้ดีเนี่ยโทสะจะลดไปเยอะเนี่ยนะคือให้ให้ซ้อมที่จะนึกถึงกุศลสินให้บ่อยๆเรามองข้ามเจตสิกศินเนี่ยเราเราคิดแค่สินห้าอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่พอครับ เราเราเรามองข้ามเจตสิกสีเรามองข้ามสังวรสีนี่นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยสําคัญมากเลยถ้ามองข้ามมาแทบจะเราแทบจะไม่เคยคิดนะถ้าถ้าเราเจริญไอ้อนาพิชชาเนี่ยนะถ้าเจริญอนณพิชชาก็บอกอาพิชชาเนี่ยก็คือน้อมสิ่งทั้งหลายมาเป็นของเราอะนะลักษณะของอาพิชชาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นอนณพิชชาเนี่ยทำยังไงบอกว่าของทั้งหลายควรจะเป็นของของคนนั้นเนี่ยนะ วัตถุใดๆของผู้ใดก็ควรจะเป็นของคนนั้นเราไม่ควรคิดเอามาโดยกระหวัดโดยอายุที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะโดยโดยจิตที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรเพราะฉะนั้นวัตถุทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นควรเกิดขึ้นโดยธรรมนั่นนะก็ตั้งอันนี้ไม่ให้อภิชานี้มันเข้ามามากลุ่มรวมก็ตั้งอันนี้ไว้ตั้งก่อแรกก่อนอนี่ยนะทีนี้ถ้าอัพยาปาท่าละถ้าเจริญอัพยาปาทะก็คือน้อมที่จะเจริญเมตตาให้กับคนอื่น เช่นะถ้าเราพูดกับคนอื่นและคนอื่นเขามีความสุขขึ้นไหมถ้าเราพูดแล้วเขาไม่มีความสุขเลยเราก็ไม่น่าพูดนะหรือเราทำแล้วเขาไม่สบายใจใช่ไหมเราก็ไม่น่าทำเราก็ฝึกเจริญแบบนี้คืออย่าไปฝึกเบียดเบียนคนอื่นนะฝึกสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นก่อนนะด้วยและทําไม่เบียดเบียนคนอื่นจริงๆก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนั่นแหละเพราะว่าขณะนั้นจิตเราก็สบายจิตก็ผ่องใส ก็ไปเจริญเมตตาเยอะๆนะเพราะว่าวิธีที่จะกำจัดโทสะก็เมตตานั่นแหละนั่นนะแต่ถ้าว่าโดยรวมๆที่เวลาโทสะเกิดก็จะเกิดในพวกนิมิตที่เราไม่ค่อยชอบนะเกี่ยวกับเรื่องเสียๆหายๆเนี่ยนะพวกกลุ่มนี้แหละที่จะก่อให้เกิดโทสะถ้าถ้าแบ่งกลุ่มโล ก, กธรรมอ่ะนะมันก็มีอยู่2 อ, อย่างโล ก, กธรรมมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีนะ วิธีสร้างโลภะก็คือคิดถึงโลกธรรมฝ่ายดีเวลาเจริญโทสะก็คิดถึงโลกธรรมฝ่ายไม่ดีอะ น, นะฝ่ายดีก็เช่นลาบลาบเนี่ยโดยสัพแปลว่าได้ถ้าอยากให้โลภะเจริญก็คิดถึงส่วนที่เราจะได้เราจะได้เราจะได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็เรียกว่าเสื่อมลาบอันนี้แปลว่ามไม่ได้นั่นเอง ก็พอคิดถึงได้โลภคิดถึงไม่ได้โทสะเพราะฉะนั้นในพวกเครียดๆไอ้ได้กับไม่ได้มันห้าสิบห้าสิบไอ้พวกนั้นแหะจะเดือดร้อนมากไอ้มันจะได้ไอ้มันจะไม่ได้นะจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้อะพวกนี้ละกิเลสมันสับไปสับมาสับมาสับไปเลยโทสะมากอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดถึงยศกับเสื่อมยศเช่น คำว่ายศเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นยศแบบทั่วทั่วไปที่รู้จักกันหรือบริวารบริวารยศเนี่ยนะพวกบริวารทั้งหลายแหละพวกคนรอบข้างพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ก็เรียกว่ายศเหมือนกันเพราะว่ายศมันเป็นที่มาของพวกบริวารพวกอะไรใช่บางคนเนี่ยไม่มียศโดยอย่างอื่นแต่ก็มีบริวารก็เรียกว่ามียศเหมือนกันอย่างหนึ่งก็เสื่อมยศ อันนสรนเซิญอันนีสรนเซินก็คือคิดถึงคําที่คนอื่นเขาชมเราอ่ะนะคิดถึงคําที่ใครเขาชมเราก็คิดถึงบ่อยๆบ่อยๆนี่แหละคิดถึงสันเซิญกับนินทาที่เขาว่าร้ายเราอ่ะนะและสุดท้ายก็คือทุกสุขเนาะฝั่งนี้ต้องเป็นสุขกับทุก ฝ่ายนี้จะก่อให้เกิดกิเลสกล่มพยาบาทนิวรไฟฝ่ายนี้จะก่อให้เกิดกลุ่มการมฉันทะเนีย่ยนะมองแบบโลกธรรมก็มองแบบนี้การมาฉันทะจะเกิดเพราะคิดถึงโลกธรรม ท, ที่ดีถ้าพยาบาทจะเกิดก็นึกถึงโลกธรรม ท, ที่ไม่ดีเนีย่ยนะทีนี้ถ้าคนที่เจริญวิปัสสนาล่ะพิจารณายัางไง บอกพวกนี้มันของคู่โลกใช่ไหลาบกับเสื่อมลาบมันของคู่โลกยศกับเสื่อมยศเป็นของคู่โลกสรรเสริญกับนินทาก็เป็นของคู่โลกสุขกับทุกเนี่ยเป็นของคู่โลกพวกนี้เรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะก่อนที่จะมาเป็นธรรมะใช้คำว่าโลกก่อนโลกคืออะไรนี่ยไง โตัวนี้ก็คืออุปาทานขันห้าเนะธรรมะทั้ง8อย่างเนี่ยมันคู่กับอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห ก, นะ ก, ก, ก็คือชีวิตอ่ะนะก็คือขันห้าชีวิตก็คือขันห้าขันห้าก็คือชีวิตอ่ะเมื่อมีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นของที่คู่กับขันห้าเนี่ยนะลาบบังเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกเนี่ยนะ ถ้าผู้ที่ไปใส่ใจในส่วนที่ฝ่ายไม่ดีมากๆพยาบาทก็เกิดแต่ถ้ามันพิจารณาไว้แบบนี้บ่อยๆว่าอันนี้ไอ้ตัวขันห้าก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วแล้วขันห้าก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับได้กับเสีย น, นะดีกับเสื่อมเนี่ยนะนินทาสรรเสริญ ม, มันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นโลกธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเจริญตรงนี้ก็คือเจริญ อณาพิชาเนี่ยนะฝายนี้นะตรงนี้เป็นเจริญอัพยาปาทะเนี่ยนะผู้ที่เจริญอย่างนี้เป็นการเจริญมโนสุจริตเนี่ยนะเจริญมโนสุจริตเป็นการบําเพ็ญจิตตะศิขาเนี่ยนะก็เป็นการเจริญอับบรมจิตเพราะจิตถ้าไม่อบรมนะถ้าไม่การมชันทะมัน มันก็ปกติคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาคําสอนก็การมาฉันทะบ้างพยาบาทก็สับค้าเคล้ากันไปนิ่วนที่เหลือนั่นมันเป็นบริวารของพวกนี้เท่านั้นเองนะเช่นว่าทีนะมิท่ามันเกิดร่วมกับกามาฉันทะก็ได้เกิดร่วมกับพยาบาทก็ได้เนี่ยนะกุกอุทะจะก็เกิดร่วมกับการมาฉันทะก็ได้เนี่ยนะแต่ว่ากุกุจะเกิดร่วมกับพยาบาทเนี่ยนะส่วนวิจิกิชาก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมันเป็นผลของพวกนี้อีกแล้ว เป็นผลพวงของอพวกนิวรณ์ที่เหลือดงนั้นถ้าการพิจารณาหรือการเจริญก็สังเกตแยกแย ะ, ยะทั้งโลกธรรมฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแล้วก็หาธรรมะที่มันตรงกันข้ามกับกับสิ่งเหล่านี้เพราะโดยปกติทั่วไปจิตที่เป็นไปกับโลกธรรมคืออกุศ ล, ลจิตทีนี้จิตที่ไม่เป็นไปกับโลกธรรมล่ะก็ให้เจริญสติปัญญาอย่างที่ว่าไปนี่แหละเอามาไข่ค ร, ครวนให้หมดเลยนะ ว่าคำว่าโลกก็คืออุปาทานขันห้าโลกธรรมะทั้ง8อย่างก็เป็นของคู่โลกเนี่ยนะจนกว่าจะได้มงคลข้อหนึ่งที่ว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตนังยสานกรรมระเตนะบอกว่าจิตของผู้ใดที่โล ก, กธรรมถูกต้องแล้วอ่ะเป็นจิตที่มั่นคงไม่วันไหวนอโศกังวีระชังเขมังไม่เศร้าโศก น, นะ วีระชังก็คือปราศจากทุลีเคมมังก็เป็นจิตที่เกษมเอตัมมังคารมุตตมังนั่นแหละเป็นมงคลเอนันถ้าหากว่าจิตของผู้ใดที่มั่นคงกับโลกกระทำนี่นะอันนี้เป็นมงคลส่วนนี่ก็เป็นวันหลังต่อเองนะ ก็ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องภาษาไทยเราเลยนะท่านไดมีปัญหาที่เจ้ามสการถามครับเอา <c oughs> เป็นไทยๆเนี่ยนะคิดให้ก็ฝึกคิดอย่างเงี้ยนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะอยากได้สุขอะไรก็ว่าไป แล้วก็อย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขกายสุขใจบริหารตนให้ถึงความปลอดภัยอย่างนี้นะก็คิดอย่างนี้ก็ได้แ็จแล้วก็ฝึกน้อมคิดไปหาคนอื่นได้ได้อนะคือในชั้นแรกก็คือฝึกให้ให้จิตมันอ่อนไปอย่างนี้ก่อนทีนี้ถ้ามันอ่อนก็อ่าสำน ว, นวนว่าผู้ที่เจริญได้ชำนาญเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนกับขี่รถมา อยาจะขี่ไปทิศไหนก็ได้เนี่ยนะที่เรียกว่าจเจริญไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่าเบืบ้องล่างเบืบ้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะพวกนี้ก็เหมือนกับการขี่รถมา้าว่างั้นเนี่ยสมัยก่อนมันมีแต่รถมา้าไม่มีรถยนต์แบบเรานะไม่หมายก็บอกว่าให้มันซิ่งแบบขี่ขับเครื่องบินเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ขับให้มันคล่องเหมือนกับพวกที่ขับเครื่องบินอ่ะไม่มีไปชนอะไรหรอกบนอากาศนะก็เจเริญไปลักษณะนั้นให้ชํานาญไปเลยเนี่ยนะอย่าไปหลงทิศกันแล้วกัน